เวลาชีวิตเราที่มีได้อาหารใ่เราไม่ได้ที่อยู่อาศัยได้เครืดืได้ดยาเนี่ยมันมีมีภาพพระพุทเจ้าอยู่ภาพนี่ที่พระพุทธเจ้าดูแลพระป่วยเอามัินหน้าเงินตักหน้ามันจากพระเช็ดูจริงๆอาหารที่อยู่อาศัย ขอพุทธเจ้าวกว่าที่เราจะได้อัตภาพแล้ทีพระเจ้าบงเป็นบา ร, รมีมา ย, ยี่ซึประสงค์ไก่จะแสดงมาครับก็จะตั้งหลักการของระศาสนาดูแลพระพิพิุสงฆ์ให้ครบห้าพันปีในเรเ่องขบารมีของพระเจ้าก็ต้องเด็กเลยมายังมากอย่างาแต่ตาสล ะ, ะ, ะอัตภาพเลือดไหลแล้วไหล อ, อีกนะจากสีร่า ในการสลักเยอะแยะมากมายและยังมีองค์คาไะยกอีกมากมายจะทําให้ได้มาเช่นนั้นมาจำนบนใเญ่ในพวกเรามาดูผลของพบาลมีขอวง พ, พเจ้าถามว่าเราจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแบบไหนเป็นลูกเพียงแค่ได้ได้ เป็นทายาทในฐานะได้อมิสและอามิสช่นี้อมิสคือพระเจ้าบำเพ็ญบารมีมาเพื่ดูแลพวกเราเช่นนี้เท่านั้นเช่นหมอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ที่อยู่อาศัยเลื่อนขึ้หอมได้ยาได้อะไรก็จะเป็นอามิสทายาทเป็นทายาทโดยการมารับอามิสที่เกิดจากผลบุญด้วยเจศบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้น แต่ที่พระเจ้าทงหวังหวังในตัวพวกเราคือปรารถนานักหนาอยากให้เราเป็นธรรมทานญ า, รราตรริญาติเคยทำอะไรคือธรรมทานญาติปฏิปฐานธรรมะประธ า, า, านอธิบาทอิทธิะละพุทชกในยมะที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วก็มีเป็นเจ้าของใิธรรมเป็นธรรมราาชาเราในฐานะที่เป็นบุตรเนี่ย เป็นลูกเนี้ยถ้าเราเพียงแค่มารับแค่อานนี้อย่างนั้นเน่ไม่ใช่เป็นข้อผสมหลักอันนี้เป็นจุดหมายรองอย่างแน่เพื่อให้เราได้อิ่มทํางราญมีเครื่องดูดหงายาอาหารและจะได้ขวนขวายจากการที่ได้ตรงนี้แล้วเนะี่ยจะได้ไม่ประมาณได้ที่อยู่แล้วได้อาหารแล้วได้ยาแล้วได้เครื่องนูดหงาแล้วไม่ได้ ไม่ใช่มาติดแน่นอยู่แค่นี้แล้วก็พากันจมอยู่ในสังสารวัฏต่อไปอันนั้นไม่ใช่พระเจ้าประสงค์พระเจประสงค์คือด้วยบารมีด้วยเดชบุของท่นดูแลเราแล้วแต่ท้าด้านทางร่างกายแต่เราต้องเข้าถึงธรรมะมรดกให้ไนดะ้สีเป็นธรรมะมรดกสีราวิสุท ธ, ธิไหยเข้าได้ง่า จิวิสุทธิความบริสุทธิ์เป็งจิตนะสมาธิทุกระดับทิฏฐิวิสุทธิ์ความเห็นที่บริสุทธิ์กังขาวิจารณวิสุทธิปัญญาที่ก้าวล่วงความสงสัยเป็นต้นมัะขามะขายานะัศชนะวิสุทธิความเห็นความไม่เที่ยงเ็นต้นเนึ่งนะจะกาหนดรู้ว่านี้เป็นทางมาคิมาปีตานี่เป็นยะทางมาคีมาปีตานปฏิปัญญานะครัศชนะวิสุทธิ์ ข้อดำเนินทางดําเนินที่สู่ความทุกข์และก็ยาวนะนทัศนวิสุทธิที่หมายถึงอริมอยมรรยาพนอันเนี้อันนี้เป็นธรรมะมรดกใช่ไหมซึ่งซึ่งเราจะต้องเข้าถึงไม่ได้อันนี้แหละเป็นพุทธประสงค์ที่พระเจ้าให้เราต้องเข้าถึงเป็นเป็นธรรมะทายาทพระเจ้าบอกว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเป็น ธรรมทานญาตของเราเถออย่าเป็นอนิสถานญาติเลยเรามีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าพิสูจนของเราทั้งหลายจะเป็นธรรมทาญาติไม่เป็นอนิสถานญาตนี่คือคื อ, คอเขาต้องเข้าใจนะเราเข้ามาในประศาสน า, นะ า, าเนี่ยพระพุทธเจ้าหวังอะไรในเราหวังให้เราเป็นธ ร, รมทานญาติใช่ไหมไม่ใช่อนิสถานญาติถ้าจะแค่ยิ้แล้วก็ ปล่อยวันและคืในให้ล่วงไปในป่าเองอยู่อย่างประมาทมาแล้วก็ไม่ได้ตาลบคําตอบได้เลยอันนี้เป็นแค่อันนิสายญาตินะแต่กินแล้วเนี่ยเงิน้องป่าลบว่าเออเราจะต้องเข้าถึงทำที่ยังไม่ถึงบรรลุทำที่ยังไม่บรู้ทําให้แจ้งขึ้นทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งถ้าอย่างเนี้ยเป็นทำตามพระประสงค์ที่พระเจ้าพยายามตั้งที่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยทํำให้เราสะดวกสบายทุกอย่าง ทา่านไม่ต้องไปอาศัยบารมีขอาท่านเลยนะเพราะเนี้ยในช่วงชีวิตเนี่ยพระเจ้าดูแลท่านได้ตลอดชีวิตเลยที่จะใส่ท่านลงของยาอาหารก็จะเนี่ยแต่ขออย่างเดียวพระเจ้าเราขอให้เธอมุ่งมั่นให้เป็นธรรมทานญาติของเราอย่าเป็นอนิสทายะาติอย่าจมอยู่ในนี้ว่ามันอย่าจบจค่กินอาหารก็ให้ทิจนาตนนาจะกบ ร, รียะอย่าจม หมูนอนทั bases, pues nope ้งหลายหมูป่าใหญ่สัตว์หลายก็กินอาหารกระพาร์กันจมอยู่ในสังสารวัตใช้ที่อยู่กระพารกันจมอยู่ในสังสารวัตรใช้เครื่องมือหมมาจมมันอยู่ในสังสารวัตใช้หยูบจ่าก็จมมันอยู่ในสังสารวัตรเห็นไมมันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมองเห็นอย่างมันกลับกายเป็นโทษเดิมไปเนี่ยพื่อจะดูบอกว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับทะเลอ่ะเหมือนทะเลจมอยู่ในทะเลคือมเยมันออกไม่ได้ก็จยัง เพาไม่ไม่ใช้ปัญญาใครควรนะอยู่เพลินๆในวันๆวันๆมองเห็นยังเี็นอย่างนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยเรานคะิดอ๋อระเจ้าหวังไม่ใช่ว่าเราเป็นแค่อีิสัาญาแต่เราไม่กินได้ไหมไม่ได้ไม่ใช้เครืงหนุมผมได้ไั้มไม่ได้แต่จงเอาเป็นปัจจัยเอาเป็นพลังเอาเป็นแรงกระตุ้นในการที่เข้าถึงความเป็นธรรมะทายาทใ้ได้มองเห็นเนะี่ย มันเป็หนึ่งถ้ามีจิตมุ่งมั่นอย่างนี้ชัดไหมอะไรอย่างเงี้ ย, <ม>ยเราจะได้รู้จุดหมายของพวกเราว่าเออเนี่ยเราเรามีจุดหมายของพวกเราเนี่ยอะไรจะต้องถึงจุดหมายใดทางนี้ไม่เป็นอนิสัยแต่เป็นธรรมดาเนะี่ยเพราะว่าเราอันนี้เกิดกด้วยเจตพูนของเราเนี่ยจริงเนีวยพระพุทธเจ้าดูแลเราได้ ดูแลเราได้ยองแต่ไม่ได้ดูแลวิญญาพระพุทธเจ้าบอเป็นบารมีมาเพื่อจะให้เราจบอยูใ่ในเช่นเช่นมนุษย์สมบัติตะวันสมบัตินะเทวาภูามิภูมภูมิซึ่งหเหล่านี้ยเป็นอามิธหมดเลยนะมันจะมีอะไรหนึ่งปัจญมิตรอมวิธคือปัจจัสสยสีช่หสองโรงกามิตรอามิตคือเกียรเชื่อเสียง สามวัฏจามิดมิดคือติดอยู่ในวัฏจาเนี่ยอันนี้เป็นเกิดขึ้นในเดชบุญบุญวาทั้งนั้นเลยเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเรากเกิดด้กำลังบุญวิญญา้งนั้เพระเจ้าประเพณนบา ร, รมีมาจงมีสิ่งเหล่านี้เพีงมีสิ่งเหล่านี้มถาถมว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยสัตโลกทั้งหลายในจักรวาลเนี่ มาด้วยกำลัง้องอะไรผู้สอนที่ทำมาบทแล้วใครสอนพุทธเจ้าพระเจ้าในสี่สอนมาทั้งนั้นพระเจ้าบอกทำทั้งนั้นทำแบบนี้ถึงเป็นมนุษย์ทำแบบนี้เป็นสัตว์นรกทำแบบนี้สัตว์เดรัจฉานทำนี้เปรตทำนี้ร้กายทำนี้เป็นมนุษย์ทำนี้เป็นเทวดาทำนี้เป็นตุ้มเหว่าตาทั้งหลายเนี่ยวัดตามนิดทั้งหลายอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เดชบุญของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ารป็นผู้บอก วิคติสิทธิ์จริงๆจรู้พรเจ้าจะบของวิคติสิทธิ์แท้จริงใครจะไปต่อเติมผิดทางนไงก็ไปต่อไปแต่ตัวบุคคลที่เจ้าของลิคสิทธิ์บอกเส้นทางบอกแนวทางจริงๆคือพผู้ได้เจ้าเมื่อกมาปริปรทาที่ออกแถวต่าพระพุทธเจ้าเป็นทูบอกทางมองเห็นไหมเนี่ยสัตว์โลกกำมือนกันทั้งโลกเนี่ยไม่รู้เรื่องพรจริงๆนั่นเป็นหนึ่งปฏิญญานี่อันนี้คือปัจจัยสี่ที่เราได้ปัจจัยสี่เหล่านี้เพราะพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรา สอนเรให้ทานแล้วจริงได้มีครับสมบัติแบบนี้ใช่ไหมเจ้าของสูตรที่แท้จริงคือพระพุทธเจา้าเจ้าของเทที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้าแต่มนุษย์มองไม่ออกนะมุมเนี้ยถ้าพูดไปไม่เข้าใจกันี้พอมองออกไม่ได้พูดไปเพบค่าที่ดีทั้งหลายอะไรเนี้ยถ้าทําเหตุอย่างนี้ได้ผล อ, อย่างเนี้แล้วก็ทําสมีใช่ไหมไ้เกียนติเยอะที่สุด บอกปัจญานิสอามิสคือปัจจัยสี่โลกามิคือเกียรตยศชื่อเสียงความเป็นอาจารย์เอยความได้รับเกียรติยศการได้รับ ก, การยอมรับแล้วคือวัตตามิสมสิคือวัตตาอามิ ส, มสเหล่านี้คุณเจ้าบอกอ่ะมันเป็นของไม่สอาดไม่สอาดมันมันต้องเกิดขั้วกับมันได้เกลียด มันจะไม่สะอาดแล้วจะลให้ละอาบิเหลนีเสียไหหละอาบินีสวมนไเหเข้าใจนะเข้าใจว่า ควรประมาควรเห็นคุณของคุณเจ้าในทุกๆสิ่งที่ที่เราก็้ปเกี่ยวข้อง แ, อแต่บางทีเรามองไม่ค่อยเห็นว่าเออบระเจ้าดูแลเราใช่ไหมเราไม่ไม่ควรมีอยู่ครั้งหนึน่งที่เห็นตรงนี้ก่อนที่เห็นตรงนี้เพรานั้นฉันเข้าในบ้านจะลองค่ะ คือข้อสารที่เข้าไปเนี่ยความรู้สึกมันเกิแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เราคึกว่าคนนั้นดูแลเราคนนี้ดูแลเรามันจะไปที่บุคคลโยมบีถ้าไม่ศรัทธาพระเจ้าโยมบีไม่ ท, ทําตรงนี้โยมไม่ ท, ำทํำตรงนี้พ่อน้องบูชาพระเจ้า ฉะนั้นเราทิงได้มาอาศัยตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพ่ะเดชบุญขบงพระเจ้าจริงจริงเนรมิตรกุฏิหลานี้ให้กับเรามานั่งตรงนี้ถ้าไม่ศรัาพระพุทธเจ้าอาหารนี้เลยมีพ่อเดชคุญของพระเจ้าพวาเนรมิตอาหารใช่ไหม <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าดูแลจริงๆที่อยู่อาศัยทั้งมถยาทั้งหลายเหล่านี้ย ในพระรยาเขาบอกว่านี่เป็นอาวิธเหล่านี้เป็นของที่ไม่สะอาดนะแต่เรามองมัวโจมอยู่เพียงแค่นี้แต่จงมองเอาเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยก็แปลว่าเป็นเครื้องหนุนเป็นปัจจัยดาเนินเข้าสู่สีสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเป็นธรรมะมรดกนี่เป็นอาวิธมรดกเป็นมรดกภายนอก แต่ว่าถุประสงค์เมื่อเมื่อพระเจ้ดาดูแลขนาดดีแล้ว <c oughs> จงเข้าหาธรรมะเป็นเราจะได้เป็นธรรมทายาถ้าเราไม่ได้เข้าถึงธรรมะเลยเนอะเราก็ได้จะแค่เนี้คือจะว่าเธอเป็นได้เพียองอามิสทายาเป็นทาย า, าที่จมอยู่ในอามิสเกลือกั้วอยู่ในอามิสเป็นทาย า, าที่ไม่คุยเจ้าเยอ ว, วมันไม่สะอาด สะอาดได้ไง departure? เรากินด้เลกลียเนี่ยเกี่ยวข้องได้กลียดฉะนั้นให้กินด้วยสติสรรมะช่นเนี้ยเอาเอาแค่อาหารยึดปัจจัยในการเข้าถึงเป็นธรรมทานเนี่ยเป็นทายาโดยธรรมไดเป็นพระบรดาญาที่เข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาเข้าถึงเมตตาอะไรนี่เป็นธรรมทานใช่ไหม มั่นใจไหมว่าจะต้องเข้าถึงเป็นธรรมดายาได้แน่ในมันใจไหมเออความเว้นาชินใจว่าเราจะต้องเข้าถึงเป็นธรรมดายาของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ได้ไม่ดิติดอยู่เพียงแค่เป็นอนิสจายเป็นไตรยาคือแค่ติดอยู่ในอนิจเท่านั้นอะไรอย่างเี้ยโอนย่ี้มีจุดหมายแล้วทําอะไรนก็ถึงงั้นต่อไปเราจะเจอพวกนี้เยอะเลย บวช เ, เข้าไปให้เขนั่เข้าไปหนที่ไหนจะเจอแล้วก็จะมีเอาละดี่เป็นนี่เป็นเดชบุญของพระราชาที่ยังอยู่เราพ้าเราทันท่านเนี่ยท่านลองถอดสัญลักษณของพระราชาออกมาท่านเกยเลยท่านดีใจเลย แล้วอัดสัญลักษณ์ให <Okay>, ้คิดเองนะคิด <wehr> ว <atch> <t war samurai> ิธ <conv> ีของตนเองที่ไม่ใช่ของพระเจ้าโอ้โหแทน้าหัดเลยเนี่ยแทน้าหัดเลยจะได้เห็นชาติทุกโอ้เราความเรานี่ไม่ได้ยินคนอะไรเลยนะเนี่ยจริงไม่ดีเลยทั้งหมดเป็นเดชบุญของพระเจ้ามันยอมดีก็ โอ้พอพอดำเนินทางโดยสวนตาวเานิ่ภาวนาอภิาจญมาเเดินบุญทีเดียวถูกเดินบารมีทานบารมีเป็นต้นมาเลยแล้แล้วเจาะไปในอดีตีคนที่สอนคือพระบูิชัดพระบูติศาสที่สืบสอนสืบต่อกันมาม้กี่ร้านขององค์งคนก็ไปตัดต่อไปที่อื่นัดต่อพันุกรรม เอามาบางส่วนบางส่วนก็ไปต่อยอดเป็นวิชาที่จริงินเพราะว่าไปอันนั้นส่วนผิดแต่ส่วนถูกจริงๆที่ก็เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมารดนบุญเยอะแต่เขาไม่รู้กันเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่เป็นแบบเนี้ถ้าเขารู้เขาจะนอกนอก้องพระเจ้าเอางมากโอ้โหขอบุญของพระเจ้าแท้ๆที่เกิดขึ้นเรื่องน่าเจ็บบุญของพระเจ้ า, า, า, จญญาทั้งหายเคยมีบรรยายเลยมียอมค้างเงี้ยเหี่ยงการ S <S <an> ยีโยงเป็นงปกันว่ามื่อศานเลยก็อย่าว่าอาถามเแล้วเปหวหวก็ต้องนั่นแตว่าวพระพุทธทเจ้าบัตเกิดขึ้นมาแล้วเท่าไหร่มากกว่ า, ายในมหาสมุทรใช่มชแล้วคนที่สอนสูตรเหล่านี้สอนคาสอนเรื่องทานศีลศีลได้คำว่าเป็นต้นปัญญาวลามีวิญญาภัยมีใครสอน จเจ้าของส่วนที่แท้จริงคือใครแล้วเราทําแล้วผลก็เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนบอกเราจะทําถูกไหมแล้วเราจะได้ทรัพย์ไหมนี่ทรัพย์ล่านี้จริงๆแล้วเจ้าของที่แท้จริงคือใครอุ๊ยใช่ไหมเขาบอกพยายามค้างเนี่ยนเราก็เลี้ยงอยู่พยายามอะไรนะศึกษามันเข้าใจเลย จะเห็ว่าคนพูดแรนนนดนงนะครเรียกนิยมอะหรับ่พูดใช้พูดคำอถ้ารู้เพียงแค่นี้ใช่ๆกลารถ้ารู้ถ้าเข้าใจเพียงแค่นี้ไม่ควรจะประกาศของสอนของพระพุทธเจ้านี้แสดงว่าคุณไม่รู้จับพระพุทธเจ้านี้คุณเป็นห่วงอะไร ศาสนาอื่นใชแต่คุณต้องดูว่าทานบารมีนะฉันทะทานังให้ทานลำเลียงพะละักให้ทานลำเลียงพาะโกรธให้ทานลำเลียงพาะหลงให้ทานลำเลียงเพราะกลัวให้ทานตามอวาเพียดีให้ท า, านหวังสุคติโลกสวรรค์ให้ทานแล้วก็ดีใจเป็นขาวๆให้ทานเพื่อประดับจิตตกแต่ตงจิตตกแต่งจิต ทางทั้งแปดประการเนี่ยใครเป็นคนสอนโอปุตรเจ้าทั้นจะคุณให้ทานอย่างเลีเ้ยงเพราะรักมันก็จะผลอีกอย่างหนึ่งให้ทานกันเลี้ยงวุโกรดก็ได้ชนอีกอย่างหนึ่งและเมื่อสัพว์ทั้งหลายบำเพ็ญทานบารมีไม่ว่าบำเพ็ญอย่างไรก็เป็นคําสอนของปุริตยะแต่มันจะได้รับผลยังไงผลที่มันเป็นไปเพื่อคลายกาหนัดเวียนไงมนไม่เป็นไปเพื่อ ค, คาาวอมามทุกข์ก็มีและคนที่สอนแบบเนี้ย มนุษย์ทั้งหลายในฐานะคนจักรวาลฟังสึกเถื่ทอทอดกันมาเพื่อแต่เจ้าของสูตรจริงๆคือพระเจา้าเจ้าของสูตรที่แท้จริงพระเจ้าเมื่อเขาเอาไปทําเขาก็ได้รับผลเจ้าของคือพระพุทธเจา้าคุณจะทําผิดทําถูกแต่มันทํามันก็ได้ตามตามผลที่ตัวเองได้ถ้ามองอย่างนี้ว่าโลกใบ น, นี้เกิดขึ้นมาด้วยอะไร เขาได้เจตนากรรม้หนะือของเราจัดใช่ไหมร่ะโดยเฉพาะพระุทธเจ้าจะมาอุบัติเกิดขึ้นในชมพูทวีดีองค์ก็ต้องบบร้เป็นบารมีคือฐานบารมีเป็นต้นโลกก็ต้องเกิดขึ้นมารองลนะกาลังบุญเงี้ยนะอันนั้นเป็นผลของฐานเงี้ยไหมผลทของสีเงนะี้งยนะออเนี่ยแต่ท่านไม่ได้ไปยึดแต่ต้องรู้เหตุรู้ผลท่านเป็นอย่างนี้จะสอนอย่างพระเจ้าได้มันจบพระเจ้าสร้างแค้จริงคือ กรรมนี่แหละเจตนากรรมของเราศาสตร์ที่ทำมาด้วยแหล่งสร้างโลกใบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมเป็นที่เรางรับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดมากนะพอมองเห็นไหมพอเห็นแต่ไม่เข้า คบว่าไม่แัดตรงทีว่าถ้าให้เอาไปอธิาออธาอบายเองใาไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเข้าใจคนีคอที่เห็นภาพเีงแต่ก่อนไม่เห็ น, นไม่เห็นอาไม่ได้พอเข้าใจแล้วแต่คำสุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงก็เข้าใจว่ามาทานบารมีทั้งหมดเนี่ยโลกต้อ ง, ต, องต้องถึงขั้นก่อตัวมาเพื่อรองรับ อันนั้นเขาา้าใจแท้ต้องมีคนระดับพระพุทธเจ้าเลยถึงจะสามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้จริไม่ใช่มาจากการนิรมิตจะมาจากการทำกรรมยันเหนื่อยเลยยันแสนได้ฉันจะมาสอนง่ายๆเลย ว, ว่าโลกใบนี้เกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีผู้สร้างใช่จะพูดอย่างนั้นเน่ยแต่พิษนากรรมของเราสาับอีไรเงี้ยเป็นกรุธรรมแบบนั้น สัายโผมยิ่งใหญ่มากเลยเรื่อเราจะได้เหยียบไปบนพื้นแผ่นดินทุกแผน่นินเราจะเห็นทุกคุณของพระพุทธเจ้าจริงจิมองไปบนท้องฟ้ามองไปหน้าที่ตรงไหนสัตว์โลกมีเท่าไรคุณของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านั้นหมูส่สัตว์จักรวาลอากาศพุทธคุณใช่ไหม เดียวกันนะั่นแหลมู่สตจักรวาลอากาศแล้วก็พุทธคุณอดี๋ยวเราเห็นอากาศ เ, เราเห็นจักรวาลเราเห็นหมู่สัตเราเราเข้าใจพุทธคุณไหมพุทธคุณมากขนาดนั้นทำไมโลกใบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เดชบุญของพระเจ้าแล้วมีนเกิดขึ้นได้เดชบุญเกิดขึ้นได้กลาลังบรมี เวลาพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยมืนโลกธาตุสะเทือนอั น, นคือกานประกาศขีดเรียกชาขีดเวลาพระเจ้าแสดงธรรมพระสุรเสียงของพระเจ้าเนี่ยแสงโกฎจกราวาเนี่ยพระปรลิตเวลาสวดเวลาแสดงธรรมมาจากไหนปุพบุ๊บปุ๊บไปขนาดนั้นเน่ยอันนั้นเป็นประกาศประกาศอาณาขีด คือการประกาศอนาเขตของพระพุทเจ้าที่ท้าวมิโมจัดนั้นได้ได้ได้รับไออุ่นได้รับได้รับได้รับกําลังพระบารมีจากการได้มิพระเดียดเวลาพระพุทเจ้าระลึกไปในจักรวาลทั้งหลายในสากลและจักรวาลทั้งหลายหาประมาณไม่ได้อันนี้คือวิสัยเขตใชหนึ่งชาติเขตสองอนาเขตสามวิสัยเขต ขนาดนฉะ น, นั้นเรากระแสชีวิตของเราเนี่ยเคยได้รับไอ้อุ่นเคยได้รับพลังของพระพุทธเคยถูกพุทธญาณชำระแล้วชำระอีมาหลายล้านรอบเลยต้องเห็นว่า กินทียังไม่เก่งเพราะมัวประมาทแบบนี้แหละเหมือนอย่างเนี้ยพรมัวประมาทอย่างนี้งั้นต่อไปเวลาพุทธยานสองมาปุ๊บพุทธเจ้าแย้งเพรอะผมแล้วโอ้ผมแล้วเราเราเราอยู่ไม่ไหวเร c ต้องไปโปรดเขาจะอย่างนี้พุทธเจ้าต้องมาขอแล้วไม่ไหว ขนาดเจเบลีย์ที่พลาดเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปโกรธท่านกุญนชนมีสัญญาทางใจว่ะเราไม่ได้ผูกสัญญาทางใจกับพระเจ้ญญาพระเจ้าเลยไม่เลยไม่หมดโกรธหรอไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสยังมีโอกาสแต่ว่าต่อไปจะให้คาดไม่ได้สํางจำไว้ด้วยว่าพล า, า, า, าดนี้มันพลาดมาแล้วใช่ไหมต่อไปรบไม่ไม่ยากที่จะ ต่อไปพระได้แจ้วและววมืพบนี่พระเจ้าต้องแย้มตอนที่พระามาหาศพผิดปรีมนกออกบวชนะอุทิพระรรรุทธเจ้าอุทิศพระารามในโลกนะพระเจ้าอยู่พระเทววันนะพระเจ้าเดินมาเลยเฉยจะไม่ดเดินมามารอรับทางทางครึ่ ง, งทางนะมารอรับนะนี่คนรีบุญ น, นะมารอเลย เราเลยใช่ไหมเราเนี่ยโอ้โจะจูให้ปวดจริงยากเลยทลองกรับลูกแบดติดลูกแฝดมีมีแค่เลยทดรองแล้วต่อรองมีเจ็วันบ้างสิ้าวันบ้างอะไรก็ไม่รู้เม็นหน้าใจจริงไหมเจริง พิษของกามันแรงครับพนะิษของกาวมันแรง <c oughs> เ, รเราไม่ได้ทช้ปัญญาใส่ไว้นี่เลยะั <S <S <S ้นในั้นท่านไม่รู้เลยท่า น, นขอบวชอุทิศพระทหารก็แล้วกันสะเทือนเลยอะเล่นแล้วแผ่นดินสะเทือนเลยคนที่พระเจ้ามานั่งของเดินมาคอนพราเห็นเนี่ย ไม่ต้องบอกเลยว่าท่านคนนี้เป็นใครก็รู้กันขนาดนั้นพอพระเจ้าให้โอวาสสามข้อบุตรท่านพอวันที่แปดบรรลุเลยท่านบอกว่าท่านกินอาหารด้วยความเป็นนี่อยู่เจ็ดวันุชชชีเจ็ดวันวันที่แปดท่านก็หลุดแล้วไม่เป็นนี่แล้ว ท่านบคำว่านี่เลยที่นั่นคือกินอาหารแล้วเนี่ยด้วยการที่ไม่ไม่ไม่ชำระกิเลสอย่างเนี่ยก็หมายความว่าต้องจะชดใช้ขันห้าต้องไปมีขันห้าอยู่ต่อไปเด็กพวกเราคือมันไม่ทําไม่ไม่สิ้นทุกกระแสชีวิตมันก็ไม่จบไม่จบก็ถือเป็นนี่ต้องไปรับใช้เป็นแบกขันห้าไปเปแบกในอัตภาพหนแบกไปเก็เรียกเป็นนี่ความเป็นยิ่งใช่ไหมท่านบอกว่า ท่านเป็นนี่ก็คือกินอาหารแล้วมันต้องทำกรรมไปในวัตจักรยังไม่ยังไม่มีกิเลส่านบอกว่าเราเป็นนี่อยู่เจ็ดวันพอวันที่8ปดแล้วก็หลุดจากคอเป็นนี่แล้วโหขนาดนี้นี่เป็นนี้ ถ้ายัง เ, ยกเกิดม่ากายเกิดนสังสารว่ฏไปเจอพระพุทธเจ้าพระทเจ้าจะทํางตอนรับเราคิดอย่าง้พระธเจ้าต้องต้อนรับราบงทีพระพุทธเจ้ากคอยอยูน่นไม่แสดงทําเลยนะคนเป็นร้านนั่งเฉยพระเจ้าก็นั่ง ย, งยแม่หมู่มทนารอรอคนมีบุญ รอเรา <c oughs> รอพอเรามาปุ๊บพระจ้าเริ่มตแส ด, เ ด, เดงกรรมดันหนุดดูขนาดนั้ น, นพระเจ้าเพราะว่าที่จริงเนี่ยพระเจ้าเนี่ยองค์บาสเกิดขึ้นมาเพื่อบุคคลเย่นเราอย่งนี้ใช่ไหมครับใช่แต่เราเนี่ยไม่ได้ไปสร้างศรัทธาไว้ที่พระพุทธเจ้า มันไม่เป็นเลยมันไม่เจ็บปวดอย่างนีน้เราไปหันหลังให้พระเจา้าตอนี้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ต่อไปไม่เอาแล้วแบบนี้ต่อไปอหอใ ห, มใ ห, ใหม้มองเห็นคนของพระเจ้าให้มากในที่ทุกสถานใช่ไหมมองเห็นหน้าที่ไหนเห็นหาให้หาคุณของพระเจ้าให้เจอเขียนอะไรพบทําไมันไม่เห็นคนของพระเจา้าเลย มันก็ ม, นม่เห็นคุณลยใช่อย่างอะไรนีที่ว่าเหมือนเหมือนแม่ของพระาสที่บนนุญแม่ไม่รู้คุณของลูกแม่ไม่รู้คุณของลูกเน่ไม่ไม่ไม่รู้คุณไม่เคยเห็นคุณของบรรดาหน้าใเลยจริงไหมโอ้โหทำผิดมาตลอดที่เราทําผิดมาตลอดหลงมาตลอด สงสัยมาตลอดเพราะเราไม่เห็นคุณเนอะเราไม่เห็นคุณเเดินผิดทางมาตลอดใช่ไหมนั่นคือการไม่เห็นคุณเห็นเหล้าเมายาเนี่ยไม่เห็นคุณไม่เห็นคุณของพุทธเจ้าไม่ได้เห็น